ท่านก็ดีใจมากะนะที่ที่ได้รับพยากร์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระองค์พยากรณ์ตรงใจที่ต้องการพอดีเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าตัวเองกําลังปรารถนาอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วมีคนมาบอกว่าท่านจะสําเร็จอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเล่าให้ฟังได้ด้วยเนี่ยแม้จะดีใจขนาดไหนก็เลยเริ่อมใส่มากเนี่ยนะเมื่อจะให้ประโยชน์นั้นสําเร็จหรือให้สําเร็จประโยชน์คือความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแลจึงถวายราชมหาราชสมบัติแด่ พระชินเจ้าก็เรียกว่าถวายเลยแล้วก็สละมหาราชสมบัตินะั้นแล้วก็บวชในสำนักของพระองค์ก็อย่าลืมว่าพร ะ, พระองค์นั้นคือพระเจ้าวิชิตาวีนั้นก็นับว่าเป็นผู้ฉลาดท่านก็ถือเอาทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดให้จากโภกทรัพย์เปลี่ยนไปเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะทีนี้ชีวิตของท่านที่ยังเหลืออยู่ก็สแสวงหาอริยทรัพย์ที่สูงขึ้นไปอริยทรัพย์คือ ท่านมีศรัทธาอยู่แล้วใช่ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยท่านมีกรรมมศกตาศรัทธาอยู่แล้วเพราะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากคือศรัทธาทีนี้พ่อขสมบัติของท่านที่มีอยู่ท่านต้องการให้โภคสมบัติเหล่านี้เป็นอนนะเป็นอริยทรัพย์ต่อไปข้างหน้านะเหมือนกับว่าเตรียมไว้ใช้สอยภาคหน้าต่อไปอีกท่านก็เลยถวายเป็น พุทธบูชาทีนี้ทรัพย์ก็จะมีแต่ศรัทธาและทานก็ไม่ใช่ก็ยังมีอริยทรัพย์คือศีลอีกท่านต้องการรักษาศีลท่านก็เลยบวชเพื่อรักษาศีลนี้ยังมีทรัพย์คือสุตตะพันธ์ก็เลยเรียนพระไตรปิฎกในสำนักของพระพุทธเจ้าเพันธ์ท่านก็มีทรัพย์คือจาระเนี่ยนะก็สละวิตกสละอะไรสละนิวรณ์สละวิตกวิจารก็ได้ฌานอภิญญาและท่านเป็นผู้ที่มีตัญญาพัานธก็สแสวงหาอริยทรัพย์ในชาตินั้น เรียกว่ารวบรวมอริยาทรัพย์ไว้อย่างเต็มที่เนี่ยนะก็เลยเล่าเรียนพระสูตรพระวินยัยนวังค้ัตรูศาสทุกอย่างอย่างพระศาสนาของพระจินเจ้าให้งดงามคือท่านมีความรู้ในพระไตรปิฎกแล้วท่านก็ไม่ใช่ว่าเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวก็เป็นโดยปกติแล้วสมัยที่ท่านยังไม่บวชก็เป็นที่เชื่อถือแห่งชาวโลกและเทวโลกอยู่แล้วเมืม่อบวชมาแล้วเนี<ม>่ยนะก็ช่วยทําพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้ งดงามอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ก็มีเจตนาตั้งความปรารถนาเป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าพั้นการช่วยงานพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านเต็มใจที่สุดเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสเล่าให้ภาษารีบทฟังอีกว่าเราอยู่อย่างไม่ประมาทในพระาศาสนาพระพุทธเจ้าโกนธัญญะนั้นในอิริยาบถนั่งนอนและเดินก็ถึงฝั่งแห่งอภิญญาเข้าถึงพรหมโลกเนี่ยนะไปสู่พรหมโลก มีการเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิวิชิตตาวีอีกว่าบทว่าวิชิตตาวีนามะได้แก่พระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามอย่างนี้บทว่าสมุตังอันตมันเตนะนี้ความว่าเราเป็นใหญ่ตลอดปัตตภีทั้งที่ตั้งจักรวาลบรรพชนทำจักรวาลบรรพชนนั่นเป็นเขตแดนทาสมุดสาครเป็นที่สุดความเป็นใหญ่ไม่ใช่ปรากฏด้วยเหตุมีเพียงเท่านี้ เล่ากันมาว่าด้วยอนุภาพแห่งจักรรัตนะเนี่ยนะจักรของพระราชาเนี่ยพระเจ้าจากักรพรรดิก็เสด็จไปยัง ป, บ ผ, ปบผ้าวิเทหทวีปซึ่งมีขนาดแปดพันโยธทางส่วนบนสมุดก็มีเขาเชิงมีเขาสิเนรุอยู่เบื้องซ้ายณนะที่นั้นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ประทานโอวาทว่าไม่ควรฆ่าสัตว์มีชีวิตที่จริงแล้วการที่พ ร, พระเจ้าจากักรพรรดิไปยึดเอาบ้านเมืองคนอื่นนะที่จริงก็ยึดแล้วไปสอนให้เขารักษาศีลห้า ท่านไม่ควรฆ่าส์มีชีวิตนะท่านไม่ควรถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมีได้ให้ท่านไม่ควรประพฤติผิดในการมทั้งหลายท่านไม่ควรพูดเท็จท่านไม่ควรดื่มน้ำเมาจงบริโภคของตามที่บริโภคได้นะก็อย่าทำบาปนะเหมือนกันเมื่อประธานโอาวาทอย่างนี้แล้วจักรรัตนนั้นก็เหาะสู่อากาศอย่างลงสู่สมุดด้านทิศบุรพาอย่างโดยประการใดๆคลื่นที่หดตัวก็แตกกระจายเมื่อเดินลง เ, นะเมื่อเดินลงก็เดินลงสู่น้ำมหาสมุดชั่วโยอดเดียวตั้งอยู่อย่างน่าดูเหมือนฝาแก้วไพยทูนแก้วมณีทั้งสองข้างภายในมหาสมุรโดยประการนั้นนั้นเรียกว่าทะเลนี่แหวกออกเป็นสองส่วนเลยนะพื้นก็จะเป็นพื้นรัตน ะ, ะน้ำทะเลที่กั้นอยู่ข้างข้างก็เหมือนฝาแก้วผลึกนั่นเองอันนี้ด้วยอนุภาคของจักรรัตนะ โดยประการนั้นนั้นจักรรัตนานั้นไปตลอดที่มีสาครด้านทิศบูรพาเป็นที่สุดอย่างนั้นแล้วก็หมุนกลับเมื่อจักรรัตนานั้นหมุนกลับบริษัทนั้นก็อยู่ยปลายทางพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ตรงกลางตัวจักรรัตนะอยู่ท้ายจักรรัตน์เมนั้นกระทบน้ามีมนทนดุมเป็นที่สุดเท่านั้นเหมือนเหมือนไม่ยอมพลาดชายน้าวิ่งเข้าสู่ริมฝั่ง พระเจ้าจักรพรรดิชนะปุบพ่าวิเทหทวีปซึ่งมีสมุดด้านทิศบุรพาเป็นที่สุดอย่างนี้แล้วมีพระราชประสงค์จะชนะชมพูทวีปซึ่งมีสมุดด้านทิศทักษิณเป็นที่สุดจึงมุ่งพระพักไปยังทิศทักษิณเสด็จไปตามทางที่จักรรัตนะแสดงจักรรัตนะนั้นครั้นชนะชมพูทวีปซึ่งมีขนาดหมื่นโยอดแล้วก็ขึ้นจากสมุดด้านทิศทักษิณไปโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในหนหลังเพื่อชนะ อัปรหรืออ ม, มระโคยานัทวีปซึ่งมีขนาดเจพันโยชน์ครั้นชนะ อ, อัประโคยานัทวีปที่อื่นที่เรียกว่าอ ม, มาระโคยานัทวีปเนี่ยนะซึ่งมีสาครเป็นที่สุดก็ขึ้นจากสมุดด้านทิศปัจจิมที่ตะวันตกอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อจะชนะอุตรากรุทวีปอ น, นะอุตรากรุทวีปก็อยู่ด้านเหนือซึ่งมีขนาด8ปดพันโยชน์ก็ชนะอย่างนั้นเหมือนกัน ทำอุตรากุรุทวีปนั้นมีสมุดเป็นที่สุดก็ขึ้นแม้จากสมุดด้านทิศอุดรความเป็นใหญ่อันพระเจ้าจากักรพรรดิทรงประสบแล้วเนื้อปัตตภีที่มีสาครเป็นที่สุดด้วยเหตุมีประมาณเพียงนี้แสดงว่ารวบรวมแผ่นดินได้ใหญ่มากมีทะเลเป็นที่สุดอันนี้เรื่องราวเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อไรเมื่อสามอสงไข่เศษแสนกับแต่พัทธกับนี้ ในประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามวโคตัญญะเพิ่มเติมว่าพระโกนทัญญาพุทธเจ้าพระองค์นี้มีนครชื่อว่ารัมมะวดีมีพระชนกพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุนันทะพระชนนีพระพุทธมารดานามว่าพระนางสุชาดาเทวีคู่อักระสาวกคือพระพัทพะและพระสุพัทพระพระอนุรุทธคู่อักระสาวิกาคือพระติดสาและพระอุปติดสา ต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นสาระกลยาณีพระองค์นี้มีพระสรีระสูง88ศอกพระชนมาายุประมาณแสนปีพระองค์มีพระมเหสีพระนามว่ารุจิเทวีมีพระโอรสพระนามว่าวิชิตเสนนะมีอุปถัาพระนามว่าพระเจ้าจันทะและนะพระเจ้าจันทะพระองค์ประทับอยู่ณพระวิหารจันทารามแล่ทั่วทั่วทไปนั้นอุปถัาจะเป็นขึ้นหาบดีใช่ไหม พระพุทธเจ้าโกนธัญะมีพระราชาเป็นอุปถากณพระวิหารจันทารามพันพระองค์จึงเล่าเป็นคาถาให้ภาษาริบุตรฟังหลังที่กล่าวไปแล้วว่าพระโกนธัญญะพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระนครชื่อว่ารัมมาวดีมีพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุนันทะมีพระชนนีพระนามว่าพระนางสุชาดาพระโกนธัญะพุทธเจ้า ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีคู่อักระสาวกชื่อว่าพระพัท ธ, ธะและพระสุพัท ธ, ธะพุทธอุปถาคชื่อว่าพระอนุรุท ธ, ธพระโกนธัญญาพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีคู่อักขราสาวิกาชื่อว่าติสาและพระอุปติสาต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นสาละกลยาณี พระมหาโมนีพระองค์นั้นสูง88ศอกสง่างามเหมือนดวงจันทร์เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันฉะนั้นพระยุคนน่อะขอไปในยุค น, นั้นพระองค์ไทรงมีพระชนมาายุแสนปีพระองค์มีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ยังมูชนเป็นอันมากให้ข้ามโอะสงสารนะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้มากมาย แผ่เมธนีงดงามด้วยพระขีนาศพทั้งหลายผู้ไร้มนทินเหมือนท้องหนาะภากาศงดงามด้วยเหล่าดวงดาวทั้งหลายพระโกนธัญญาพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงงดงามอย่างนั้นนะแปลว่าพระพุทธเจ้างดงามเหมือนอะไรงามเหมือนดวงจันทร์นั่นเองนะงามมากประกาศถึงความดโดดเด่นแล้วก็งดงามแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความเยือกเย็นทางใจนะถ้าจะเปรียบทั่วๆไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบ พระคีณาศบแม้เหล่านั้นหาประมาณไม่ได้อันโลกธรรมให้หวันไหวไม่ได้แปลว่าท่านเหล่านั้นมีมงคลกันหมดเลยใช่ไหมมงคลโดยเฉพาะสี่ข้อสุดท้ายอะนะอะไรพุทธะโลกธรรมเมหิจิ ต, ตังยสานกัมปตินี่นะก็คือเป็นผู้ที่มีจิตอันโลกธรรมถูกต้องแล้วก็ไม่หวันไหวมีจิตใจที่ไม่เศร้าโศกมีจิตปราศจากูุลีมีจิตเกษมปลอดภัย นะก็ประสบมงคลเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งความเจริญที่สูงสุดมาโดยเฉพาะพระขีณาสพพระธาหันเหล่านั้นยากที่สัตว์จะเข้าไปหาฝ่ายพระผู้มีประยชศใหญ่เหล่านั้นนะแสดงตัวเหมือนสายฟ้าแลบแล้วต่างก็ดับขันปรินิพานนะแสดงตัวเหมือนสายฟ้าแลบมาเพราะอะไรเพราะว่ า, าได้ยินว่า ครั้งนั้นพระโกนธัญญาพุทธเจ้าพิสูจทั้งหลายเมื่อปรินิพานก็โลดขึ้นสู่อากาศเจดชั่วลำตาเนี่ยนะรุ่งโรดไปรอบๆเปรียบเหมือนสายฟ้าแลบหลืบเมฆสีน้ําเงินแก่เข้าเตโชธาตแล้วก็ปรินิพานเหมือนไฟหม ด, หมดเชื้อด้วยเหตุ น, นั้นจึงตรัสว่าแสดงตัวเหมือนสายฟ้าแลบหมายว่าทุกองค์เวลาจะปรินิพานเนี่ยเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วก็บันดาลเตโชธาตเผาในอากาศไล นะถือทุกองค์ทําลักษณะนี้สักส่วนใหญ่ก็เลยกล่าวว่าแสดงตัวเหมือนสายฟ้าแลบเนี่ยนะเหาขึ้นไปปั๊บไฟก็ลุกท่วมก็กลายเป็นพระธาตเลยนะก็ถือว่าน่าอัศจรรย์แต่ว่าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์น่าอัศจรรย์กว่านะธรรมะอริยสัจจะที่ท่านเหล่านั้นเห็นแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าช่วยให้ท่านเหล่านั้นกลายเป็นบุคคลพิเศษเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ พระวรรธน์ของพระชินเจ้าที่ไม่มีผู้เปรียบเทียบได้นั้นและพระสมาธิที่พระยานอบรมแล้วคือพระองค์มีปัญญาไปอบรมสมาธิเนี่ยนะทั้งนั้นก็อันตรธานหมดสิน้นตอนนี้พระพุทธเจ้าพนันว่าโกนทัญญะเนี่ยนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าของเราแสดงใครเนาะจะได้ยินได้ฟังใครเนาะจะรู้จักเพราะว่าสังขารทุกอย่างก็ว่างเปล่าโดยแน่แท้อีกสักสองปีเนี่ยจะมีคนรู้จักพวกเราไม่นึง จะรู้จักไหมน้อเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายช่างว่างเปล่าแน่แท้เนี่ยนะอีกสองพันปีแล้วพวกเราจะอยู่ยังไงกันไม่พวกสถานการณ์ขณะนี้จะมีอะไรเหลือมั่งใครจะรู้จักมังม่งเนยน้อ น, นี่แหละสังขารและอีกสามกลับข้างหน้าแล้วจะมีชื่อมีแท่มีอะไรเหลือไหมบอกยากถ้าไม่มีใครทละลึกชาติได้ก็ไม่รู้ว่าเคยมีเหตุการณ์เหล่านี้อะไรรองมันก็ ชีวิตที่ว่างเปล่าจากความเที่ยงความยั่งยืนว่างเปล่าแท้จากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาขนาดผู้มีบุญเช่นกับพระพุทธเจ้าตอนนี้เราก็ยังได้ยินเฉพาะชื่อเท่านั้นเองเฉพาะพระนามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นควรที่เราจะสังเวชสลดใจในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาควรแล้วที่จะเจริญคุณธรรมที่นําออกจาก วัตทุควรที่จะเจริญโพธิปักยะธรรมเพื่อนำออกจากวัตตะสังสารวัตทั้งหลายที่เวียนว่าวตายเกิดถ้าคิดตามแบบพระพุทธเจ้าพาให้เราคิดเนี่ยนะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเล่นเนี่ยนะสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทำอยู่มันก็จริงอะ่ะแต่มันเป็นความจริงที่เหมือนกับความฝันชาติชรามรณะจริงไหมบอกจริงแล้วแต่ละชาติแต่ละชาติละเหลืออะไรไหม มันก็ไม่เหลืออะไรเหมือนอย่างว่าเราทำงานตั้งแต่เช้าจดข้าเงือท่วมตัวเหน็ดเหนื่อยพอพอกลับมาบ้านพักผ่อนนอนหลับวันหลังนึกถึงไปแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ศูนย์เปล่าเหมือนกับว่างเปล่าอย่างเราเราทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะเนี่ยถ้านึกถึงวัยเด็กวัยน้อยตอนนี้ก็เหมือนกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับ ความฝันวันฝันว่าเหมือนเคยเป็นเด็กชายเด็กหญิงวิ่งเล่นบัดนี้ไม่เหลือแล้วเนี่ยนะมีแต่จะไปวิ่งข้างหน้าต่อไปแค่นั้นแหละถ้าไม่รู้ทําเป็นที่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเห็นเด็กหิ้วกระเป๋าเข้าโรงเรียนก็จะไปน่ารักจังเลยหนูเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเป็นอันหิ้วกระเป๋าตามพวกนั้นแหละต่อไปเนี่ยนะยังไงนาะค่ะเนี้ยทางสารวัตรก็อย่างนี้แหละจริงกับเล่นเล่นกับจริงมันก็อยู่ใกล้ๆกกันนั่นแหละจริงแต่เป็นความจริงที่ไม่เที่ยง จริงแต่เป็นความจริงที่เป็นทุกข์มันทุกข์ก็ทุกข์จริงๆนะแต่พอพ้นไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมตอนร้องไห้ตอนเจ็บปวดมันปวดจริงๆเจ็บจริงๆเสียใจก็เสียจริงๆพออีกพักนึงไม่มีอะไรมั่งเหมือนกับท้องฟ้าที่มันแปรปรวนไปด้วยเมฆฝนนะนะพายุใหญ่มาอีกพักหนึ่งก็เอ้ก็โล่งๆไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ไอตอนนั้นก็มีหนาวกับหนาวเหน็บจริงๆนะไอตอนร้อนก็ร้อนระอุจริงๆในตอนกลางวันตอนกลางคืนก็เย็นเยือกจริงๆนั่นแหละ แต่ว่าอีกพักหนึ่งก็สังขารทั้งหลายก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้แหละมันก็สัมผัสทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสิ่งที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่อย่าลืมว่าหมุนไปก็จริงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็จริงแต่ทุกอย่างแห่งชีวิตที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะได้ติดตัวกันมาสองอย่างนะไม่บุญก็บาปนะอย่าลืมว่าสังขารที่ว่างเปล่าสังขารที่ไม่เที่ยง แต่ว่าพวกเราทุกคนก็ไปเซ็นสัญญาบุญสัญญาบาปกันไว้กับตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคำพูดที่เราพูดไปแต่ละคำนี่คือสัญญาคำประกันว่าอนาคตคุณก็จะรับตามสมควรที่ทำคำที่พูดแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดเพราะทุกคนก็มีเจตนาเป็นของของตนเนี่ยนะกายาสันเจตนาวาจีสันเจตนาโนสันเจตนาบุญบาปก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้อง นะสังขารที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปก็จริงแต่ว่าบุญบาปเหล่านั้นจะไม่เคยลืมเราเนี่ยนะก็ติดตามเราไปอันเราก็ได้มีบุญได้ศึกษาคาสอนของศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวาศาสนาของพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าโกนธัญญะเราก็เชื่อว่าได้สร้างศรัทธา สังขารทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่เที่ยงก็จริงสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นถึงจะปรินิพานแล้วก็จริงถึงอย่างนั้นท่านเหล่านั้นก็ยังเป็นอา ร, รมณะปัจใจเป็นบ่อกเกิดให้เกิดบุญกุศลแก่พวกเราทั้งหลายนะเป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลมันเราก็ศึกษาเพื่อนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะเวลานี้เราก็จะได้อ่เรา กราบไหว้นมัสการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เคยมีในอดีตก็จะได้ปรารบถึงว่าเออพระพุทธเจ้าทั้งหลายคล้ายแบบนี้จะมีต่อไปในอนาคตจะได้ว่าพระพุทธเจ้าที่เคยมีแล้วในอดีตว่าพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นไปในปัจจุบันเราก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสาระมั่นคงยามนึกถึงอดีตเราก็นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงอนาคตเราก็นึกถึง พระรัตานาไตรนึกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันเราก็ระลึกถึงพระรตานาไตรเนี่ยนะโสพระเป็นพระโสดาบันจะไปไหนใช่ไหมเอาคิดไปไหนก็มีแต่พระรตนาไตรเนี่ยความเป็นพระโสดาบันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือพระโสดาบันคือผู้ที่มีความมั่นคงในพระรตนาไตรนึกถึงอดีตเขาก็ระลึกถึงพระรัตนาไตรได้สิ่งที่จะมีในอนาคตเขาก็นึกถึงพระรัตนตรตยชีวิตของเขาจะมีอะไรนอกจาก พระัตนาตรเนี่ยนะกายจะห่างแต่จิตใจไม่ห่างจากพระัตนะตรเพราะฉั้นจิตใจก็ระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายพระธรรมคุณทั้งหลายพระสังฆคุณทั้งหลายใจที่อย่างที่กล่าววันก่อนว่าใจที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็น้อมไปหาพระพุทธเจ้าคติของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดคติของผู้ที่มีใจนับถือพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราไปมีใจที่มีกับคนอื่นนะนะ กับคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขาไปไหนไม่แน่นะเราเอาจจะตามไปที่นั้นนะเดือดร้อนแน่ถ้าเกิดเข้าไปไม่ดีล่ะนะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนนึกถึงพระพุทธเจ้าหรอกนึกถึงพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะนําให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะปัญหาว่าถ้าถ้าเราพูดถึงแบบคนที่หวังดีปรารถนาดีต่อคนอื่นนะอย่าต้องการให้คนอื่นนึกถึงเราเลยให้คนอื่นเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเถอะเพราะก็นึกถึงเราถ้าเกิดเราไปไม่ดีจะว่าไง แต่เขาแค่ค้นึกถึงพระพุทธเจ้าเขาก็จะไปดีใช่ไหมพาะเราก็พยายามช่วยกันมาให้แต่ละคนช่วยนึกถึงพระพุทธเจ้านะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุ้ทานุสติถ้าจะนึกถึงเราอย่าลืมมรณ า, านุสตินะอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเอา้าถ้าก็นึกถึงเราว่าตามเป็นจริงนะให้นึกด้วยมรณ า, านุสตินะสัตว์ทั้งหลายที่เคยตายแล้วด้ว ย, ยนะฮะในอดีตท่านก็เคยตายมาแล้วในอนาคตต่ตอไปถ้าไม่ทําที่สุดแห่งทุกข์ก็จะตายต่อไปปัจจุบันก็ นั่งรอนั่งรอยืนรอเดินรอแล้วก็จะไปหาบางนันหาจนพบจนได้นะเชื่อแค่ว่าไปจนพบจนปะเจอเนี่ยใครจะไม่เจอมั้งเ อ, อก็ก็เป็นอย่างไรแหละพันออทำยังไงที่จะเจริญไอ้พ่อพูนคุณธรรมเนี่ยนะพ่อพูนคุณธรรมที่จะนำออกจากทุกโดยเฉพาะศรัทธาที่มีต่อพรรตนะตรายกายจะเป็นยังไงก็เป็นไปเธอ เหตนะุการณ์ชีวิตมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะแต่ใจของเราก็ขอให้ได้ประดิษฐานและมั่นคงในพร ะ, ะรัตนตรายโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้และเหล่าอริยาสาวกที่ตรัสรู้ตามว่าท่านเหล่านั้นได้ดิบได้ดีท่านพ้นทุกข์ก็เพราะตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะถ้าเราคิดอย่างนั้นบ่อยๆใจของเราน้อมไปอย่างนั้นในที่สุดเราก็จะรู้ในสิ่งเหล่านั้นที่ท่านเหล่านั้น ตรัสรู้เพราะว่าการตรัสรู้ธรรมะเหล่านั้นนี้ปกปิดปิดอะไรได้บ้างปิดอบายทุกติวินิบาตปิดวัตตะอย่างเช่นถ้าเป็นพระโสราบันก็ปิดในภพที่8ดได้แล้วเนี่ยนะกลับมาหาพระพุทธเจ้าโกนธัญญะว่าพระพระโกนธัญญะสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริญิพานณ์นพระวิหารจันทารามที่น่ารื่นรมเขาสร้างพระเจดีย์สำหรับพระองค์ในสูงเจ็ดโยชน พระธาตุทั้งหลายของพระศาสดาพระองค์นั้นไม่กระจัดกระจายคือพระพุทธเจ้าองค์ใดถ้าพระชนมายุยืนเป็นหมื่นปีขึ้นไปพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระธาตุจะไม่กระจายแต่ถ้าพระพุทธอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอายุไม่ยืนเนี่ยนก็กระจายพระธาตุแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนพระองค์ไม่กระจายเพราะว่าประชาชนเคยเห็นพระองค์แล้วส่วนมาก ในไหนที่หนึ่งในที่สองถึงพระธาตุไม่กระจายเขาเหล่านั้นก็เดินสามารถเดินทางไปได้เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยยาวชีวิตของเขาอายุยืนเขาก็พอที่จะมีศรัทธาไปกราบไปไหว้ไปบูชากันได้อย่างทั่วถึงแต่ถ้าสําหรับคนสมัยที่มีอายุน้อยเนี่ยนะก็อย่างน้อยที่สุดก็กระจายกระจา ย, รจายพระธาตุทั้งหลายจะได้อยู่ใกล้บ้านหรือบางท่านก็มีพระธาตุอยู่ที่บ้านก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธคุณได้กราบได้ไหว้ นั้นพระาธาตุของพระาศาสดาพระองค์นั้นจึงไม่กระจัดกระจายดำรงอยู่เป็นแท่งเดียวจนหมดหมดปลายที่เรียกว่าจนกว่าธาตุปรินิพานก็คือกระดูกของพระองค์เนี่ยรวมตัวเป็นคล้ายกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เตโชธาตุที่พระองค์ได้อธิษฐานเอาไว้ก็บรนดาลลุกขึ้นแม้แต่ขะเมาก็ยังไม่เหลือในที่สุดพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็หายไปเนี่ยนะก็รอนูน่นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาประกาศให้ฟังว่า ในอดีตเคยมีพระพุทธเจ้ามีพระนามเช่นนั้นมีโคดเช่นนั้นมีศีลเช่นนั้นมีวิหารธรรมเช่นนั้นมีปัญญาอย่างนั้นมีอัครสาวกเช่นนั้นเช่นนั้นก็พระพุทธเจ้าองค์หลังๆก็มาเล่าถึงพระพุทธเจ้าเคยมีในอดีตเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้เคยพยากรณ์พระองค์ว่าอย่างไรแม้แต่ตํานานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็จะปิดจะปิดลงในจากโลกนี้เหมือนกันนะ่ยนะ ก็ไม่ต้องแปลกใจก็ไปหลายๆแห่งในเมืองเมืองโดยเฉพาะต่างประเทศหลายประเทศหรือบางจังหวัดหลายจังหวัดสิ่งพระธาตทั้งหลายที่เคยบรรจุพระธาตก็เหลือแต่อะไรเหลือแต่ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นโรคขึ้นคลุมไปหมดเนี่ยนะก็มีบางแห่งที่เขายังนับถือก็ยังปัดกวาดเช็ดถูอีกภาคหนึ่งก็เมื่อคนที่ปัดกวาดเช็ดถูตายไปคนอื่นก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์ยังไงในที่สุดก็กลายเป็นสิ่งที่รกร้างว่างเปล่าในที่สุดศาสนาก็หมดไปจาก โลกรรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แต่ถึงพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหล่านั้นจะดับขันปรินิพานไปแล้วเนี่ยนะสิ่งคำถามที่ชันมักจะถามบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยเราได้บุญอะไรจากพระองค์มาบ้างนะอย่างเราศึกษาพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรเราเพิ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรไหม จากอาศัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่อย่างนั้นการที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระองค์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาในโลกเจริญขึ้นมาในโลกบำเพ็ญพุทธกิจทั้งมวลเหล่านั้นตรัสรูท้ทำเป็นที่พ้นทุกมีสาวกตรัสรู้ตามมากมายเราพอจะได้ศรัทธาอะไรจากพระองค์ได้มั่งเราได้อริยสัพ์อะไรจากพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นบ้าง ศึกษาพระพุทธเจ้าโกนธัญญะจบไปแล้วแล้วเราได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรได้อุทาหอนอะไรที่เรียกว่าได้อริยทรัพย์อะไรบ้างจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนธัญญะเล่าเนี่ยนะนะจะขึ้นพระพุทธเจ้ามังคละ